พระอนุบัญญตหิ3สอันหนึ่งภิกษุใดไม่เป็นไข้ต้องการผิงไฟก่อหรือใช้ให้ก่อไฟต้องอบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีเหตุผลที่สมควร